ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้นำเสนอพระสูตรในมันชฌิมกายมาโดยลำดับวันก่อนได้พูดถึงมนัปรสูตรหรือสูตรที่ว่าการวางตัวของภิกษุในการอยู่ป่าทั้นในกรณีที่ มีปัญหาและในกรณีที่ไม่มีปัญหาพระสูตรต่อไปนั้นเรียกว่ามาทุกบินที่กสูตรคือพระสูตรคล้ายๆกับเป็นรสหวานของน้ำอ้อยเป็นพระธรรมเทศนาที่พูะเจ้าทรงสแสดงแก่พระเจ้าทันท ป, ปาน้ แล้วก็ส่งแสดงแก่ภิกษุแในการต่อมาพระมหากัจจยนะก็นำไปอธิบายขยายความต่อในข้อความในตอนต้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธารามเกศวรนครกบิลพัทในสกตะชนบท คือนิโครธารามเนี่ยเป็นพระอารามแรกที่เกิดขึ้นในกรุงกัิลพัฒน์ก็ตามตำนานบอกว่าเจ้าชายสกยะองค์หนึ่งชื่อว่านิโครธบุมาลก็ได้สร้างเป็นอุทยานเอาไว้นองคล้ายๆกับเวทวันที่พระเจ้าพิมีสารถวายตอนวเจาเสด็จครั้งแรกพร้อมด้วยพระสงฆ์สองหมื่นรูปเนี่ย จะดุลคนไม่ใช่น้อยนะคผลทางราชวงศ์สกยะก็จะบริเวณนิโครธารามถวายเป็นที่ประทับและในการต่อมาก็สร้างเป็นพระรามและถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระสงฆ์ทั้งหลายันเมื่อพระเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลพัฒน์ก็จะเสด็จประทับที่นิโครธาราม วันหนึ่งก็เสด็จเข้าไปสู่พระนครก บ, บิลพัทแต่คนนี้ทำไมเราเห็นลักษณะที่ตั้งของนิคโครธารามว่ามันก็คงคล้ายๆกับพระเวลุวันซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองรัสครึนิคโครธารามก็คงอยู่นอกกำแพงเมือง ก บ, บิลพัตและถ้าเราดูให้ดีว่าประเทิตะวันเอกก็คงอยู่นอกเมืองสาวัติีพระเมืองสมัยโบราณจะมีลักษณะกั้นเป็นกำแพงอย่างยกตัวอย่างว่าเมืองไพราลีเนี่ยขยายกำแพงถึงเจ็ดชั้นขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น มันก็แสดงสถานะทางสังคมประการหนึ่งว่ามันมีการต่อสู้สู้รบกันระหว่างนครรัฐต่างๆที่สมัยนั้นก็เรียกว่ามาชนนบทเอยจริก็มีลักษณะเป็นนครรัฐก็คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองในแคว้นสักกะสกกะชนนบท แล้วก็มีความเป็นแควน้นแต่เราเจนว่าก็มีนคร อ, อยู่สองนครคือวิลพัทกับเทวตหะเทวตาหะก็คงอยู่ในแคว้นสักกะแล้วก็กบิลพัทก็อยู่ในแคว้นสักะสะกะแสดงว่าแคว้นนี้ก็มีนครสองแควน้นเป็นเมืองพี่เมือง น, น้องกัน แล้วท่านก็นเล่าถึงถึงวิธีการเสด็จออกบินธบาติของพระพุทธเจ้าว่าทรงถือบาทและจีวร เ, เสร็จเข้าไปสู่พระนครเกิด บ, บิลฑพเพื่อบินธบัติครั้นเสร็จจากการเที่ยวไปบินธบาติแล้วก็เสด็จเข้าไปยังป่าหมาวันเพื่อสุขพักในเวลากลางวัน เราจะเห็นภาพของการใช้ชีวิตของพระพุทธเจ้าพระหรันทั้งหลายเพราะว่าปรากฏเยอะมากเนื่องจากพระไตรจีวรสมัยนั้นหายากลำปกติพระเราก็มีอยู่สามผืนมีพระนุ่งกับพระหมแต่ก่อนมันก็สองผืนนี่นะในการต่อมาก็ไปเพิ่มสังกติขึ้นสังกติเป็นการเพิ่มขึ้นทีหลัง ส่งปรบปัญหาความหนาวที่เสียดแงทงภิสุในฤดูหนาวไปชมพูทวีปหนาวนานฤดูหนาวมันเริ่มแถวลายกัญญาไปเรื่อยๆนะจนถึงมีนาจีตเวลานา น, านเพราะการที่ภาามันมีน้อยเนี่ยก็จะมีการทะนุถนอมในการใช้ เวลาเสด็จออกบินธบาทหลวเจ้ากประทับอยู่ในป่าในโครารามก็เป็นป่าเราก็เสด็จถือบาทกับจีวรไปโดยแสดงว่าทรงนุ่งสะโพอสบงสบงสบงมันเป็นเหตุการณ์ของยุคสมัยคือแต่เราดูคนไทยรุ่นโบราณล้วก็แต่งตัวในลักษณะนั้น การสวมเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรมันเกิดขึ้นในทีหลังเมื่อก่อนแม้แต่ข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าดังนั้นพอไปถึงเข้าเขตบ้านเนี่ยก็เจออยุดระวางบาดก็ส่งห่มจีวรแล้วก็เสด็จออกไปวินทบาทก็จะไปแวะที่หดที่หนึ่ง เมื่อได้อาหารพอสมควรแก่กันอย่างอัตภาพไปเป็นไปก็จะแวะในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สเสวยปตาหารวันนี้ก็เสด็จเข้าไปประทับที่ป่ามาวันป่ามาวันนั้นเราจะคุ้นะจะคุนกับป่ามาวันอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งก็อยู่ที่เทือกเขาหิบาลัยลากผ่านแคว้นสักกะลงไปยาวมากเหมือนกัน ถัาราเป็นป่าธรรมชาติแต่ว่าหมาวันอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในแคนวัชีที่เราจะยินกูตาคารสาลาป่าหมาวันเมืองไผ่สลีนั้นบอกเป็นป่าปลูกแล้วก็แสดงถึงพัฒนาการความคิดของมนุษย์ในยุคโบราณว่าการการอนุรักษ์ป่านี่จะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คืออนุรักษ์ป่า ที่มีอยู่ป็อยู่โดยธรรมชาติไม่มีการค้นทำลายป่าไม้โดยไม่จำเป็นเพื่อจะให้ป่ารักษาป่าเองจนรักษาตัวของตัวเองจึงมีระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับศีสางนางไม้ทั้งหลายลูกเทวดาทั้งหลายคนก็เคารพยาเกรงรเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ ในแง่ของความจริง ม, มีหรือไม่มีไม่ได้แปลกแต่วความจริงเขาก็มีนะฮะเมื่อวันก่อนลูกศิษย์เป็นญาโทรเขารับป็น ญ, ญาบัตแล้วก็มาขอถ่ายรูปเป็นที่เล็กแล้วเขาก็เล่าถึงการตอนไปปฏิบัติกรรมฐานที่จังหวัดจันทบุรีที่ภูเขาอะนะฮะ ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยถูกถูกอะไรละ่ะนางไม้เนี่ยเขาไปเตือนไปสักถามเข้าไปคุยจนพวกนี้ต้องหนีเข้ามาเกาะกลุ่มกันอยู่จะต้องทำพิธีบำเพ็ญบุญกุศลอุชิตกุศลไปให้แก่ท่านเหล่านั้นแล้วก็ยังมีสัตว์ ร, ร้ายปรากฏในที่ต่งตางๆบางคนก็ ทุกลากถุกขยเยาถูกขยเยากุติอะไรแต่ไรเนี่ยผู้นักศึกษาพวกนี้ตอนที่หนึ่งทีถึงที่สามเนี่ยจะมีลักษณะเสียวมั่นตัวเองในเรื่องหลดนี้แล้วก็บักจะปฏิเสธประสงค์กป่าไปปฏิบัติกรรมฐานสิบห้าวันนะอยู่ในป่าในสิบห้าวันก็มีการติวเข้มมากแต่ก็นักศึกษา ส, าส่วนใหญ่เขาไม่คุ้นกับป่า ในพูดเัืการใช้ชีวิตในป่าปรากฏว่นักศึกษาชุดนี้ตั้งยี่สิบกว่ายี่สิบท่านฮะจบไปแค่แค่สี่ท่านเท่านั้นเองยังไม่ยังไม่จบวิทยาณุโพดอยู่เยอะแล้วก็มีปัญหาในช่วงตัวนี้อยู่ด้วยก็ปรากฏรอบเวลาเขากลับมาเนี่ยเขาจะแสดงความเชื่อจากประสบการณ์ของเขา ที่เขาพบเห็นด้วยตัวเขาเองแต่ในการถกเถียงเรื่องลูกเทวดาเรื่องภูมิเทวดาเรื่องห น, งนังไม้อะไรต่างๆนี่จะเงียบนะครับเพราะว่าเขางมีประสบการณ์ทีนี้ในแง่ตรงนี้ที่จริงถ้าเราเชื่อไว้เนี่ยมันดีคือจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมีความเคารพยงเกรง มีความชเหลืกตัญอยู่ต่อธรรมชาติต่อป่าไม้ต่อพาตต่อดินน้ำลมไฟอากาศผลดีมันจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลพราะก็มีหลักการหนึ่งว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหรือไม่มีแต่โดยระบบความเชื่อตรงนี้มันจะกากับควบคุมระบบการคิดการทำของมนุษย์เอาไว้โดยอาศัยความกลัวก็ได้ อาศัยความสานึกขุนก็ได้ความกตัญญูกตวเวทีก็ได้ก็แล้วแต่หรืออาศัยความเชื่อแต่แม้แต่อาศัยความกลัวเนี่ยผลก็จะออกมามรู้ขั้นการอนุรักษ์ป่าวพนาประเทศก็ได้ชมพูทวีปยุค ก, ก่อนพุทธกาลเนี่ย มันมีการพัฒนาป่าอนุรักษ์ป่าแล้วก็ปลูกป่ากันแล้วเอ่อทำให้าาการกําหนดฤดูเดือนต่างๆเนี่ยมาลงตัวเพราะว่าธรรมชาติต่างๆไม่ได้วิปริตต่อการกระทําของมนุษย์มันเกิดความสมดุลของธรรมชาติการเวลาฤดูเดือนปีต่างๆมันก็ลงตัวเวลานี้เราจะเห็นว่ามันก็จะลงตัวบางทีฤดูร้อนเนี่ยฮะฝนตกนะี่ย ดูฝนกลับไม่มีฝ น, นตกดูหนาวกลับไม่หนาวอะไรแต่อย่างใดตัวต น, นี้ก็แสดงให้เรารับรู้เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์เราจะสามารถจินตนาการจิตราการจากจากข้อความต่างๆแล้วจริงเราก็เขียนอมาเป็นแผนที่ได้แต่สั้าไป แต่ตอนนี้พยายามให้นักศึกษา ร, ระดับปัญญาเอกเนี่ยเขามีความคิดที่มองทละลุมิติต่ตางๆไปโดยใช้ประวิณในบิดกเป็นแกนแล้วให้หาเอาตัวไหนก็ได้นะโชคไหนก็ได้ก็ข้อความในประวินในบิดกเรามาเรียบเรียงเป็นสาระในผลมองผ่านตรงนั้นเข้าไปสู่สตว์นั้นสัตว์นั้นสตว์นั้นก็ว่าไปหลายๆสัตว์ โดยอาศัยข้อความในพระวินัยพิจดุซึ่งทำให้เราเห็นว่าคือคือถ้าเราคิดเนี่ยกระดาษหน้าเดียวเนี่ยมั น, ม, นมันจะคิดอะไรได้เยอะแต่ว่าตามปกติแล้วเราจะเราจะติดตันเสียเราก็ไม่ค่อยนิยมส่งเสริมให้เกิดระบบการคิดที่มีเหตุผลแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดได้ ผูจาก็ไปประทับพักในเวลากลางวันตัวนี้เราจะเห็นว่าพุทธกิจของผู้จา้าเนี่ยมันมีช่วงว่างตอนเช้าเสด็จออกบินสบาตอนบ่ายก็เทศนาสอนชาวบ้านตอนเย็นนะฮะก็จะอวาตแกภิสูตทั้งหลายตอนเที่ยงคืนก็จะทรงต่อปหาแก่เทวดา แต่ตอนใกล้รุ่งก็จะตัวดูสตัตวโลกที่จะเสด็จไปโปรดคือมีใครมีวาสนามมีบารมีมีสีแก่กล้าปรากฏในพยานพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดแล้วก็มีช่วงหนึ่งคือพักในกลางวันแต่ในโชคที่พักเนี่ยไม่ม้หมายความว่าไม่ทำงานนะนะก็อาจจะมีคนเข้ามากราบทูลถามปัญหา สองคนบ้างหนึ่งคนบ้างก็แล้วแต่เราพบปะพูดคุยกันข้อความเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในปัจยบิดดกเป็นอันมากเพืทอให้เราสามารถเรียงพุทธกิจในแต่ละวันเนี่ยว่ามันแน่นมากวาระมันแน่นแต่ว่าคนสมัยโบราณเนี่ยท่านท่านไม่ลงรายละเอียดอะไรเอาไว้ในถ้า มีเอกสารมีอะไรบันทึกอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นพุรกิจต่างๆในระยะเวลาสี่สหปีเนี่ยทรงงานหนักมากและวทาให้เราเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะประทับคล้ายๆกับเป็นศูนย์บัญชการใหญ่อยู่ที่ประเทตะวันกับบุพารามที่สาวถีเพราะเวลาไปอยู่ตรงนั้นตั้ง25ปี อยู่ที่บุบุภารามหปีแล้วก็อยู่ที่พระเช ต, ตวัน19ปีในขณะเรียวกันออกพรรษาก็จะมีการจาริกมากหรือน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็เล่าว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ต้นมะตูมหนุ่มมะตูมหนุ่มก็คือมะตูมที่อายุยังไม่มากแล้วก็แม่ทันทัปานิสักยะ กำมังเสด็จทเดินเล่นก็ได้เสด็จเข้าไปในยังป่ามาวันทีนี้ปัญหาสาคัญว่าทันตปานี้ดีคือใครเพราะก็บอกว่าทันธปานี้สักยะก็ทําให้เรานึกถึงว่าพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวธา ได้มีพระาราชโอรสสองพระองค์คือสุ ป, ปพุท ธ, ธะกะธัทธรร ป, ปานิและพระราชธิดาสองพระองค์คือมายากับประชาบดีต่อมาท่านเหล่านี้ก็เปลี่ยนกันแต่งงานกับพระราชโอรสพระธิดาของพระเจ้าชียเสยนะซึ่งก็เป็นเสด็จปู่ของ เ, อเสด็จทวดนะฮะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านี้ก็ คือพระเจ้าสุทโธตนะก็แต่งงานกับมายาวิชาบุตรีพระเจ้าสรีหานุนะสรีหานุแล้วก็สุพัุทธะก็แต่งงานกับพระเจ้าหญิงอมิตาซึ่งเป็นกรดิษฐ์กักิณีของพระเจ้าสุทโธตนะก็หมายความว่าสลับเปลี่ยนน้องสาวกันเพราะันทันธบา น, นิเนี่ย องนี้ก็ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ทันตปาณิซึ่งเป็นก็เรียกว่าอะไรล่ะจะมีฐานะเป็นอาจจะเป็นอาก็ได้เป็นลุงก็ได้นะเพราะว่ามันสลับะอะไรกันอยู่องนั้นต้องเป็นโกริยะมันไม่ใช่สักกายที่ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือทันตปาณิสักกายเนี่ย ก็ท่านบอกว่าแน่นอนเป็นกษะสตัตรย์านบอกว่ า, าสตัตยาแล้วว่าก็เดินไปดูลําพังตัวนี้ก็มีจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ายุคสมัยตรงนั้นคนก็ไม่มากแล้วก็ภัยอันตรายต่งตางๆก็ไม่มากตัวการเที่ยวเป็นการส่วนตัวของราชกุมารเนี่ยทูตเจ้าเรากตอนเป็นเจ้าชายเทิดทก็เที่ยวไปกับ ในชั้นนาบ้างไปกับอาโนดบ้างเดี๋ยวไปเที่ยวอยู่ในป่า้ว แ, แสดงว่าแต่โครงสร้างสังคมในรัฐสุโภภัยอันตรายมันน้อยกว่าที้าก็บอกว่าทันทัปานิสักยะขนเนี่ยแต่ทันทัปานิแปลว่ามือถือไม้เท้าอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นชื่อจริง ไม่น่าจะเป็นชื่อจริงแต่เป็นเนมิตะกนามเพราะอาจารยตอาจารย์อนธะิบายว่ายังเป็นคนหนุ่มแต่กิริยาการท่านแปลกนะก็เป็นเข้าเฝ้าสําหรับคึ้นร่ที่ถือว่าแปลกเพราะถ้าเทวดาเนี่ยทำพระทักษินโนเจ้ารอบสามรอบแล้วก็ยืนถวายบังคมแล้วกลับทูลถามบรรณาฯอะไรก็ตาม โดยไม่นั่งทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพรมท่านจะนั่งกระโยงปน ม, มือทำผ้าห่มชูงบ่าถวายบังคมพ ร, พ, พระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับนั่งผู้กษัตริย์ก็จะใช้ใ น, นลักษณะอย่างนั้นจะเดินทำประทักษีนเวียนขวาแล้วถวายบังคมแล้วก็ประทับนั่ง แต่วท่านตาปานิมาแปลกคือท่านบอกว่าได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างต้นมะตูมหนุ่มแล้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนยันไม้เท้าคือคือเอาไม้เท้านี่วางไว้ข้างหน้า แล้วมือเนี่ยวางบนบนหัวไม่เท้าแล้วคางเนี่ยไปวางอยู่บนมืออีกทีหนึ่งเหมือนคล้ายๆกันนั่งเท้าคางยืนเท้าคางแต่ว่าแทนที่จะไปเอามือเท้าทีเดียวก็เอามือวางบนไม่เท้าแล้วก็ยืนก็ก็ไม่ได้ถวายบังคมน เ, เสร็จแล้วก็ ท่านบอกว่าขั้นผ่านการปราศัยพอให้ลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนยันไม่เท้านะที่ควรส่วนครั้งหนึ่งแล้วได้ทูลถามว่าพระมาสัณะาสพนมีปกติจดรดกาวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรก็เป็นคำพูดที่แปลกอีกและวมันคือมันแสดงความห่างเหินยังไงชอบคน ทั้งๆ ท, ที่เป็นราชวงศ์สักยะแล้วก็โดยสถานะพระพุทธเจ้าก็คือโดยคล้ายๆกับมกุฏราชกุมารแล้วก็ในขณะนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคำพูดใช่แปลกโดใช้พระสมณะแล้วก็ต้องรู้ว่าศึกษาารูอว่าท่าทำทำไมเกีริยาท่านท่านผิดคนเง ก็ไปดูที่ปราะกาศาจานท่านเล่าท่นานเ่าว่าพันธปานนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันอยู่ฝักฝ่ายของมเทวทัตน์อันนี้คือเป็นเป็นมุมมองของคนที่ไม่มีกิเลสกับคนที่มีกิเลสเราจะเห็นว่าพริกพริกด้านเลยในเรื่องเดียวกันเนี่ยจะเป็นการมองพลิกกันคนละด้านเลย วิเทวทัตก็ไปยุยงทันตปาณิว่าเจ้าชายธิตาถเนี่ยได้ทําทําลายโอกาสที่ประกนิธิภคินีคือเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระกนิธิภคินีของท่านเนี่ยมันควรจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินีในขณะที่เป็นสวามีเป็นเจ้าจากักรพรรดิ แล้วก็เจ้าช้ยสะก็ไป อ, อกบวเชเสียทำให้เจะาหญิงโสธราเนี่ยเป็นไม้แล้วก็ทำลายโอกาสที่พวกท่านจะเด่นดังตามมาทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าผลเ่างนี้มันก็กระทบถึงธนตา ป, ปานิในแง่ของความเป็นโลกเนี่ยเพราะถ้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิันตา ป, ปานิก็จะมีสถานะสูงขึ้นไป ในเ ว, วทววงของกษัตริย์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นการมองด้วยตัณหามานณทิฏฐิหรือตัณหามาณทิฏฐิมันจะเข้มมากในการพยายามปลนปลือตัวเองเสริมสร้างความยิ่งใหญ่แก่ตัวเองแล้วก็ไปเสร็จกฎไปรักเื่อเราจะเห็นว่าความเป็นเหล่า น, านั้นมันเป็นสังคต ธ, ธรรมเป็นพรยเจ้าจากักรพรรดิมันก็เป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แปลว่าก็ความคิดแบบเทวทัศน์มันก็ในสูงออกมาอย่างอย่างที่เรารู้ว่าประวัติเราเทวทัศน์ก็เป็นอย่างไงแปลว่าเจ้าหญิงยโสธราไม่ได้มองอย่างที่ประเทวทัศน์มองพระเจ้าโทโทธนะเองก็ไม่ได้มองอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระญาติทั้งตัวเป็นปฏิปัติมันก็มีเฉพาะสุขปุษฏะและเทวทัศน์แล้วก็เนี่ยสลั่งทัพนิก็มีลัาากษณะกระนดัง คนอื่นไม่มีใครที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าก็หมายความไงหมายความบ่งบอกถึงบารมีธรรมที่คนเหล่านั้นเขามีอยู่ในระดับสูงเพราะถ้าเรามองตลอดระยะเวล า, า45ปีที่พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ทรงใช้หลักการเ็าเรียกว่ายาตถัจริยาคือสงเคราะห์พระญาติโดยธรรม แก้ปัญหาต่างๆให้แก่พระญาติเป็นนันมากแล้วจนถึงพัฒนาอาการกายวาจาของพระญาติอยู่ในระดับศีลเป็นอย่างน้อยและอยู่ในระดับศีลที่เรียกว่าค่อนข้างอุกฤษคือถือศีลจริงเลยแม้จะถูกฆ่าถูกทำลายชีวิตก็ไม่มีแม้แต่ความคิดแต่ละเมื่อศีลพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าของมรดก ที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติที่มอบหมายให้แก่พระประยุรญาติเขถือว่าเป็นราชวงศ์กษัตริย์ที่มีพัฒนาการทางจิตสูงมากมีพระอริยบุคคลทุกระดับแล้วก็มีกัลยาณปูตุชนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็รักษาสินห้าโดยเคร่งครัด บ, บทพิสูจน์ จำนวนปัจจุบันอาจจะประเมินผลนวัตผลเนี่ยนั่นคือตอนที่กองทัพวิศุะภาะยกมติกรุงกับิลภัทน์ราชวงศ์ศกกรยะเป็นทหารที่มีสมรรถภาพสูงมากถ้าจะรบต้องลืมนะว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยทหารกูราของเนปากมันนักรบสันเยี่ยวของโลกเลย มันก็เป็นสายเลือดสายเลือดนกรบแต่ว่าจิตมันสงบจนไม่มีความคิดที่จะฆ่าคนอื่นทล้วก็ทำได้เพียงแต่ว่ายิงธนูให้ไปสอดสๆๆสอดไว้ที่เปราะของคนเหล่านั้นแล้วก็ไปจ่อผิวเอาไว้แสดงถึงพลังการใช้เก่าทันได้ยิ่งใหญ่มากเพราะกำกับควบคุมน้ำน้ำหมักของเก่าทันได้ทางทางติระยะ ระยะที่ศัตรูล้อมเมืองอย่นี้มันก็ห่างกันแล้วก็เจาะเปลาะได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ไปเอาเลือดออกมาคือเจาะเฉพาะเจาะผิวผิวผิวเพียงแต่บงบอกว่าถ้าฉันฆ่าเธอตายหมดเดี๋ยวฉันก็ไม่ฆ่าจะแสดงว่าวัดผลทีนี้มาถึงตรงนี้ก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่า จากการมองของเราเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นระบบไม่มีลักษณะการสืบสาวเดี๋ยวปัญหาวันจันทร์ก่อนนะวันจันทร์รู้สึกว่าต้นเดือนพุทธภาแล้วก็ว่าพระเป็นผู้ถามนะเรื่องก็ถูกเฉียงเรื่องพูะเจ้าประสูติแล้วเดินโดยพระบาทใน เ, เจ็ดยาวาแล้วมาก็ต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาเนี่ยไปปาตกถาเรื่องทำไมวุทานาได้เสื่อมมาจากอินเดียที่โรงพยาบาลวิชชยุทธพระรูปนั้นแหละเข้ามาด้วยแล้วก็มากับเพื่อนที่เถียงกันพอวิปายไปเสร็จเขาก็ปรรบเรื่องนี้ขึ้นเลยก็อธิบายท่านฟัง ว่าท่านอย่ามองอเฉพาะตรงนั้นเด็กท่านมองว่าคนเหล่านั้นเขาเห็นคนที่โดนเสด็จเจ้าพระนางสิมาม า, มายาเนี่ยเขาเห็นทั้งหมดตอนเก็ตื่นเต้นขออเขาส่จานคดขึ่งมากจนถึงก็มอบกายถวายชีวิตกับพระราชกุมารให้สัตยปฏิญาณว่าถ้าพระราชกุมารเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะยอมเป็นข้ารองบาทตลอดชีวิต ถ้าเสด็จออกขอนวดจะขอโดยเสด็จตามบวชตามเพราะการที่ราชวงศ์สกยะออกบวชจะไม่ผูก พ, พันกับตรงนี้ตลอดผูก พ, พันกับสั์จะปฏิยาณที่ได้ให้ไว้ในสมัยที่พระโพธิสัตว์ประสูติใหม่ๆเพราะนการเหล่านี้ถ้าไม่ใช่การจริงเนี่ยมันไม่มีแรงบันดาลใจขนาดนั้นที่คนซึ่งมีฐานะเป็นราชวงศ์ด้วยกันเนี่ย ไปยอมมอบกายถวายศีวิตกัเด็กเล็กๆซึ่งประสูติอยู่เพียงบันเดียเะรนั่นดัะ้เหตการณ์ต่อมาเนี่ยมันไปไปการพิสูจน์ทดสอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะงั้นพันธป า, านิสักยะองค์นี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ตอนนี้ไม่กี่คนเน่ยไม่ใช่หลายๆคน ที่ยังมีลักษณะอาการกระด้างกระเดืองต่อพระพุทธเจ้าอยู่ใช้คำว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรแล้วพระเจ้าก็รับสั่งแปลกเนี่ยคือแทนที่จะยาใช้คำว่าอุบาสกใช้คำว่าราชาหรือว่ามหาราชาอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ใช้บุคุณ บาลีก็คือผู้มีอายุบุกคลอมุโสอยู่ผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โตเฉียง ก, กันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์สมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกนี่คือต้องเข้าใจว่าเป็นปริยายเทศนา พระยาเทศนาในแนวเนี้ยเคยแสดงแก่พระมหาโมคคลานะตอนที่เสด็จไปโปรดที่กาลวามุตคามพระมหาโมคคลานะท่านไปนั่งสปปงกอยู่พระเจ้าก็ไปส่งแสดงอุบายวิธีแก้งม่วงให้แล้วก็ในพระโอวาทที่ส่งประทานเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่า ดุก่อนโมฆลลานะเธอพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจะไม่พูดถ้อยคำให้เป็นเหตุถกเถียงกันเพราะตั้งถกเถียงกันแล้วเนี่ยความคิดก็จะฟุง้งซ่านพอความคิดฟุง้งซ่านจะเกิดไม่สํารวมพอไม่สํารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิแล้วก็ต่อไปปัญหามจะตามมาเยอะเพราะใจมันมันไม่มีสมาธิเนี่ยจะตามมาเยอะเล เพราะในกรณีนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ทรงรู้อุปนิสัยของพันตปาณิเรพูดไปแก่ก็เท่านั้นแหละเนื่องจากมันมีความกระด้างคือมนุษย์มันเห็นได้ชัดแล้วเป็นสภาพจิตที่ไม่พร้อมเป็นสภาพจิตที่กระด้างพูดไปเขาก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมา ได้รับสั่งให้เห็นว่ามันเป็นกฎสากลเลยเพันกลุ่มบุคคลทั้งหลายที่ทรงยกมามันก็หมดนะนะเพความท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตว่ามันเหมือนกันในธรรมจักรตอนที่ทรงยืนยันสถานะของพระองค์ว่าเป็นผู้ศสตรูในหมู่ เ, เทวดาเทวดามารมารพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทางสมณะพราหม์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ก็หมายความมหมดอะทุกชีวิตเราทรงใช้คำว่าและสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงําพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกรรมทั้งหลายนั้นสัญญาเนี่ยก็คือตัวสัญญาาัาขันเป็นความทรงจําในทางตรงนี้ก็ในทางไม่ดีนะถ้าเราทรงจําไว้ในทางไม่ดีเราจะรู้สึกเกลียดคนนั้น ทีนี้พอเกลียดคนนั้นไปล้วเพูดอะไรมาเนี่ยเราจะรู้สึกคานเราจรู้สึกต่อต้านแล้วในสุดมันก็เถียงกันต้องถกเถียงกันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร mm. พระหลักการของพระพุทธเจ้าที่สําคัญเนี่ยคือพุทธเจ้าไม่ทะเลาะ ก, กับโลกเพียงแต่โลกทะเลาะ ก, กับพุทธเจ้าเองพร mm. พุทธเจ้ามีหน้าที่แสดงสัจธรรม แต่จะทำก็เป็นยังไงก็คืออย่างนั้นนี่ยชาวโลกก็คิดยังไงไม่เปืเ่อนของเขาถ้าชาวโลกจะค้านมันก็ค้านสัจธรรมไม่ได้ถือว่าค้านพระองค์เพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าก็มีคนคัดค้านธรรมเทศนาของพระเจ้าอยู่เช่นในเรื่องอานิจจตาเนี่ยพระกาพุ่มเขาคัาดค้าน เรื่องอนัตาตาเนี่ยสัจจะนิพนก็ค้านแะเวเนี่ยก็มีคนค้านอะไรอยู่เยอะซึ่งก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นปัญหาว่าเขาไม่เข้าถึงสัจจะตรงนี้เองมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นความผิดมันถูกแต่ว่าเขาก็าไม่รู้ว่าปถูกยังไงก็ไปเรื่องไปเรื่องของเขาเอง เราจะต้องมองเขาด้วยความรู้สึกเมตตาเอ็นดูโรคอยวุฒิภาวะของเขาทีนี้ถ้าถ้าสัญญาในลักษณะนี้ไม่ครอบงำเนี่ยจิตใจก็จะอยู่ปราศจากปราศจากกามในที่นี้ทรงเน้นที่กามนะฮะกามก็คือก็คือที่ที่พูดมาในสูตก่อนคือในสูตรไหนมก็คือคือกันเนี่ยนะฮะ หมายความโลกมันก็มีกามอยู่สองสองประเภทกามในเชิงที่เป็นรูปธรรมกับกามในเชิงที่เป็นนามธรรมแต่เป็นรูปธรรมก็คือรู ป, ปรวัตถุทั้งหลายที่เราสัมผัสทางประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดมันเป็นกามเพราะใจเราไปกําหนดมันว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่มันเองก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจะเหตุปัจจัย เกิดขึ้นรั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเป็นกามหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่เขากําหนดใจยังไงเหมือนวัตถุอย่างหนึ่งเนี่นนยคนอาจจะกําหนดเฉยๆอาจจะกําหนดด้วยความไม่พอใจอาจจะกําหนดด้วยความพอใจหรือแม้แต่คำพูดของคนประโยคหนึ่งเนี่ยค น, นอาจจะรู้สึกพอใจไม่พอใจได้เฉยๆทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสัญญาคือความจําไว้ภายในใจทีนี้ส่วนที่เราไม่พอใจเราก็เกิด ต่อความไม่สบายใจเราเรียกว่าทุกขเวทนาก็เกิดในส่วนที่เราพอใจเราก็เกิดสุขเวทนาในส่วนที่เป็นกลางๆ ก, ก็กลายเป็นเรียกอทุกขมาสุขเวทนาหรืออาจจะเรียกว่าอุเบกขาเวทนาทีนี้ถ้าใจที่มันปราศจากกรรมเนี่ยมันก็พูดถึงตัวพระองค์เองนะแต่ว่าลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะสากลหมายความว่าใครก็ตามที่จะจิตปราศจากกามไม่มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะ ไม่มีปัญหาที่จะต้องทะเละาะเราอาจจะทะเลาะมาแต่เราก็ไม่ทะเลาะกับเขาก็ปล่อยเข้าไปเขาคิดยังไงก็ปล่อยเข้าไปแต่ก็ต้องการรู้อธิบายชี้แจงค่ะเขาไม่ต้องการก็เป็นเรื่องของเขาคือบางเรื่องเนี่ยมันชี้แจงไปก็ป่วยการนะก็มีคนพยายามที่จะมาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็อยากให้ช่วยชี้แจงบอกป่วยการ ถ้าเข้ามาต้องการจะรู้ว่าข้อนี้ในพระพุทสนาแสดงว่ายังไงในเราตอบได้ถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้แต่ก็ก็ไม่แน่ว่าอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้เพราะงั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นเรื่องของเขา แล้วก็ทรงแสดงกระบวนการทางจิตทีต่ต่อเนื่องพอเรืมามันก็เหมือนกับประสุทธก่อนวันอาทิตย์สุดนี่เราจะเห็นว่าก็เหมือนกันคือหมายความทัสนติที่ยังไม่เกิดไม่เกิดจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเนี่ยอย่างอื่นก็ล้มละเหน็ดนาดไปเลยเลิกพูดปกิเลสสงบไหมอสาาวะสงบไหมสังโยชน์สงบไหมโอคาสงบไหมนี่ไม่ต้องถามอ่ะมันไม่สงบหรอก เพราะเลยเพราะจิตมันยั ง, งแหวงทีนี้ไอ้จิตที่ปราศจากกรรมเนี่ยมันไม่แบ่งเพราะงั้นจะเป็นคนที่ไม่หลังเล่ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยมีความมั่นใจในสัจธรรมที่เข้าถึงอย่างสมบูรณ์เมื่อไร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละคือไม่มีทางจะพูดเป็นอย่างอื่นได้เนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงอโลกจะคิดยังไงก็คิดไปแต่ว่าจริงๆมันไม่เที่ยง เทียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเรามีอายุอยู่ไม่นานพอที่จะไปพิสูจน์ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้แต่ระดับของขาอิมาลัยมันก็ไม่ดำรงอยู่ชัว่วนิรันด์แม้แต่โลกเองก็ไม่เที่ยงคือดำรงอยู่ไม่ชัว่วนิรันดร์หรอกเพียงแต่ว่าการแตกทำลายของโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอายุเรากับอายุโลกมันต่างกัน อยุโลกขนานกว่าเดี๋ยวถ้าอีกสักห ล, หลายล้านปีไปแล้วเราก็คงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่รอจะเกิดทันตอนโลกระเบิดก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันก็ไม่ต้องไปตกกัอองวลอะไรเพราะจริงโลกมันก็สังขารนนะไม่ต้องไปตื่นเต้น น, ะน้ำจะท่วมโลกดาวแปดดวงจะชนโลกโลกจะแตก อะไรแต่ไร ก, ก็ก็เลิกพูดมันโลกแตกแล้วอ่ะมันเลิกพูดแล้วอย่าลืมว่าจิตเรายังมีเหตุปัจจัยให้ต้องเกิดแล้วก็มีโลกอื่นเกิดไม่ต้องไปกลัวหรอกแล้วถ้าไม่เกิดได้ก็ยิ่งดีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไอ้ตัวปดเรายังมีอยู่แต่ว่าโลกมันเป็นผลน่ะมันเป็นผลเมื่อเกิดขึ้นวันนี้มันดำรงอยู่แหละต่อไปก็คือแตกแบบ วเดีเบวลานี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดว่าดํารงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นไหมโลกมันก็ตกอยู่ในกฎของกฎจักรกลแต่ถึงหยุดเดิงโลกก็ต้องดับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็รับสั่งว่าเป็นผู้ตัดความขนองได้แล้วความขนองเนี่ย หมายความว่าขนองกายขนองวัจจาขนองใจแปลว่าโดยปกติเราจะเห็นอาการขนองเดี๋ยวมาทางกายทางวัจจ์คือกายไม่สงบวัจจ์ไม่สงบเป็นอาการขนองแต่นี้กายมันสงบวาจจสงบเพราะใจมันสงบใจไม่สงบมันก็จะไม่ขนองพอไม่ขนองแล้วก็ปราศจากตัญหาที่จะนําไปสู่พบน้อยพบใหญ่ เพะอะไรเพราะว่ามันดับมาตั้งแต่กาวนะดับตัวรวนมาแล้วพอสภาพจิตมันก็ปราศจากตัณหาก็ยุติการหมุนวนอยู่ในภพชาติต่างๆแล้วก็สรุปรวมว่าเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติบอกอย่างนั้นเป็นการแสดงอะไรล่ะเป็นการแสดงมรรคสัจกนิโรธสั์ เรานี้เราเจนว่าจากเนี่ยจากผู้อยู่ปราศจากกวามทั้งหลายเป็นผู้ไม่ลังเลตัดความขนองได้แล้วปราศจากตัณหาในพบน้อยพบใหญ่ได้อย่างไรนี่คือนิโรธศาสตร์มันเป็นอาการมันเป็นเป็นอาการของตัวนิโรธแต่ผลมันก็เกิดขึ้นมาจากการทำลายสัญญาทั้งหลายคือสัญญาเนี่ยพวกพวกเหล่านี้เขาเรียกสัญญาเป็นเครื่องเื่นชาคือ กิเลสทั้งหลายนะ่ยพูดง่ายาอาการกิเลสทั้งหลายเนี่ยเจตหามานาทิชิเนี่ยเป็นตัวเนื่นช้าเขาเรียกปปันจะทำคือธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้าก็พวกพื้นมันก็ดับหมายความสมุทัยก็ดับคือทุกข์ก็ดับแต่ถามว่าทําไมได้ดับล่ะเพราะว่าคนมันเดินมาพระเจ้าก็เดินมาทางสายของมารกษัตริย์ก็ทําให้สัญญาทั้งหลายไม่ครอบงา ส่ว ญ, ญ่เป็นเครื่อเดินชาทั้งหลายนี่ไม่ครบครองกระบวนการทั้งหลายที่อาการเหล่านี้จึงเป็นอาการของนิโรธสัตว์ที่ปรากฏอยู่ภายในประทัยของพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายตลอดถึงว่าป็นเอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาเหล่านี้ก็ยุติพพชาติพอพระพู้มีพรภาคเจ้าจัดอย่างเนี้ยทันทปานิลักขยา ก, กษัตร์ศีสะแล้วก็แลบลิ้นฮ แล้วทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม่เท้าแล้วก็หลีไปอานะการสั่นศีสะเนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเขาเรียกสีสังโอกรรมเปตวะเราแปสำนวนรวดบาลีนิดหน่อยเรากร็กยังศีสะให้ไหวก็คล้ายๆกับภุปกะปริภาชกที่พบกับพระพุทธเจ้า ก็สันติเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูว่านธรรมของอารยันเนี่ยการสั่นศีรษะนั่นก็ของของเขาคือตกลงนะฮะของเราในสันธิษัมนคือปไปเสธแต่ของเขานี่คือตกลงแล้วถามมาทําไมจึงไปแลบลิ้นมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของคนนะฮะเป็นอาการอย่างหนึ่งของคนที่อาจจะงงหรืออาจจะเ อ, อตื่นเต้นหรืออาจจะนึกต่อไปไม่ออก แล้วก็หน้าผากยนเหนืแสดงอาการคิดอาการครุฑคิดแล้วก็นึกวิธีที่จะยอมรับหรือว่าจะโต้อตอบไม่ได้เพราะตัวการใหญ่ท่านท่านมีความเป็นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าอยู่เนื่องจากฝักฝ่ายของพระเทวทัตาะอาการจึงค่อนข้างสับสนลักษณะทั้งสามอย่างเนี่ยมันมีความสับสนในตัวของท่านเองแล้วฟังท่าไ